เราทำตรงนี้แหละเป็นแบบฝึกหัดเป็นแบบดทดสอบเป็นแบบฝึกซอ้อมทดสอบอะไรฝึกซ้อมอะไรก็ทดสอบจนมันอยู่ฝึกซ้อมจนมันอยู่อะไรอยู่จิตอยู่อยู่กับอะไรอยู่กับอารมณ์อารมณ์อะไรอารมณ์พุทธโทพุทโทพุทโทเน่เราฝึกซ้อมอยู่กับตรงนี้ เราทาดูการที่เราตัง้งนั่งนั่งภาวนาด้วยกันหลายๆคนนั่งภาวนาด้วยกันหลายๆท่านทั้งฝ่ายพระสงฆ์แล้วก็ทั้งฝ่ายอุบาสกอุบาจิกาไม่ฉีด้วยเป็นอุบาจิกาด้วยกันการที่เรานั่งภาวนาหมู่เอากติกาของหมู่เป็นเหตุบังคับเราทําให้เรามีกจิจกิจในการที่เราจะนั่ง เพราะว่าต่างคนต่างนั่งหากมีไอมีจามบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ให้อภัยกันหากมีการชกชากบ้างสับเปลี่ยนกระทบกระเทือนมีเสียงบ้างเราก็ให้อภัยกันแต่มันเป็นรับบอกเป็นระเบียบที่ทําให้เรารักษากรอบได้ดีไม่เชื่อท่านทลายลองไปนั่งภาวนาะคนเดียวดูท่านรู้สึกหงุดงิดที่ใจปั๊บท่านเลิกทันที เพราะมันไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครไปไ ป, ไปบังคับบัญชาท่านกิเลสบังคับบัญชาหัวใจของท่านมันเป็นนายควานอยู่บนหัวของท่านหัวใจของท่านมันพร้อมที่จะเกาะไปซ้ายมันพร้อมที่จะเกาะไปขวานั่งสัหน่อยมันถูกมันกระซิบกนะ็ทราบไลยลุกเลิกไปทําอะไรตามใจที่ใจที่มันถูกกิเลสยุแย่เข้ามากระซิบกนะ็ทราบ เดินท่องท่องท่ออ ง, องไปตามมันทำตามมันแล้วนะบางทีนั่งยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลิกแล้วบางทีนั่งทั้งไม่ถึงยังไม่ถึงสิบนาทีอู้นานเหลือเกินเลอะแล้ ว, ล ว, ลวบางทีนั่งไปได้ครึ่งชั่วโมงบางทีนั่งไปได้หนึ่งชั่วโมงโอ้หูนานเหลือเกินไม่เห็นได้อะไรนู่นเด่แท้จริงจิตไม่อยู่สักครั้งเดียวแต่เราอยู่อย่างนี้เราอยู่ในกรอบเราอยู่ในกรอบ อาศัยความยำเกรงหม่นะถา้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจเดี๋ยวกลัจะหงายท้องให้เป็นที่ได้รับความอับอายกับโม่จะลุกจะเดินเอ๊รู้สึกว่าอายหมูไว้เขายังอุตส่าห์นั่งได้เราก็จําเป็นจะต้องตั้งใจพยายามนั่งมันเป็นกรอบบังคับเราไปในตัวเอ๊เป็นเรื่องดีนะสลับท่านที่ตั้งอกตั้งใจทําใหม่ยังบังคับบัญชาตัวเองไม่ได้ การที่เรานั่งหมู่แบบนี้จะเป็นการดีเพราะต่างคนต่างนั่งต่างคนต่างไม่รบกวนซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีแบบมีแบบฝึกซ้อมอย่างที่บอกผ่านมาเมื่อตะกี้เนี่ยมั น, เ ป, นเป็นแบบฝึกซ้อมที่สดส ด, สดร้อนๆ้อนเราฟังจากเทพครูบาอาจารย์ท่านก็พูดธรรมะเป็นประปรายไปทั่วเพราะว่ามันเป็นความรู้ ที่กว้างขวางเป็นความรู้ที่กว้างขวางอันนี้เราพยายามพูดหมุนมาที่รูเดียวหมุนมาที่ช่องเดียวหมุนมาที่เรื่องเดียวเพื่อให้เราได้รับได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจแล้วก็จับได้จับเอามาทำแบบฝึกหัดให้กับจิตกับใจเราได้ลองตั้งอกตั้งใจทําตามนี้จะได้รับความสงบเราต้องเอาให้จิตของเราได้รับความสงบ เมื่อจิตได้รับความสงบก็คือจิตสามารถากำกับให้กิเลสมันสงบระ ง, งับเข้าไปได้กิเลมันมาก่อควนที่จิตของเราไม่ได้อย่าลืมว่าจิตสงบก็คือกิเลสสงบนั่นแหละจิตมันไม่สงบเพราะอะไรเพราะกิเลสมันไม่สงบกิเลสมันมายุยัยจิตอยู่ทุกระยะทุกเวลาจิตไม่ได้รับความสงบจิตสงบ เพราะกิเลส ท, ที่มันเคยมาก่อควรจิตมันสงบทำไมันมันถึงสงบเพราะมันไม่มีช่องแทรกเข้ามาทําไมมันถึงไม่มีช่องแทรกเข้ามาเพราะเรากํากับทุกขณะจิตพุทเข้าทออกพูดเข้าโทออกพูดเข้าทอออกหายใจเข้าพุทหายใจ อ, ออกทอหายใจเข้าพุทธหายใจ อ, ออกท อ, ท, อ, ท, ท, อ ท, ทําความรู้สึกทั่วทำความรู้สึกพร้อมมีสติคือความระลึกได้ทุกขณะจิต มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวประคับประคองไปทุกขณะจิตในที่สุดกิเลสมันก็แทรกไม่ได้เมื่อกิเลแสแทรกไม่ได้จิตก็เริ่มสงบเขาก็จะเริ่มสงบไปเรื่อยสงบไปเรื่อยสงบไปเรื่อยสงบจนทิ้งคำบริกรรมเขาไม่ว่าพุทธเขาไม่ว่าโทเขาจะอยู่แต่กรลมหายใจเขาา้าหายใจออกก็ไม่เป็นไรเราก็จับเข้าไปถึงเขาไม่ว่าพุทธเขาไม่ว่าโทจิตมันก็ไม่ไปแล้วแหละ แต่จิตมันกเกาะแน่นอยู่กับความรู้สึกความรู้สึกของลมลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้จนกว่าเขาจะทิ้งลมเมื่อเขาทิ้งลมเขาเขาจะอยู่กับอะไรก็เขาจะอยู่กับผู้รู้นั่นแหละผู้รู้อยู่กับผู้รู้เองทิ้งข้างนอกหมดนี่คือความลึกของของจิตละเอียดของจิตมันจะผ่านองค์กาหนด หรือจะผ่านองค์ชาญไปโดยลําดับโดยลําดับโดยโดยชั้นอันนี้ที่เราเอาคําว่าอง์ชาญมากํากับมาพูดเพื่อให้เราเพื่อเราทราบว่าขั้นตอนของมันเป็นอย่างนั้นมีวิตกมีวิจารมีวีติมีสุขมีเอกขัตตารำรงดํารงจิตให้อยู่อย่างนี้จิตของเราก็อยู่ในขั้นผัสถมขั้นแรกของความสงบของจิตขั้นแรกของความสงบของจิต เราไม่ไม่ต้องพูดถึงฌานครับไอ้ฌานโดยภาษาโดยคําพูดแปลว่าเพ่งฌานเนี่ยโดยภาษาพูดแปลว่าเพ่งแต่เราอยู่ทําอยู่ในที่นี้เราเอาจิตรู้เราเอาจิตกําหนดรู้เราไม่ใช่เราไปเพ่งอย่างเดียวเรารู้เอาจิตรู้อไอ้เพ่งก็คือเอาผู้รู้เน่ยมาอยู่กับวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งท่านเขาเรียกว่าเพ่งเราจะใช้คําว่าเพ่งก็ได้เราจะใช้คําว่า รู้ก็ได้เราจะใช้คำว่าจ้องก็ได้เราจะใช้คำว่ากาหนดก็ได้แต่เราอย่าไปติดอย่าไปติดคำพูดให้เราจับอยู่กับอารมณ์นั้นในเมื่อเราจับอยู่กับอารมณ์นั้นมันก็ถูกต้องใครจะว่าอะไรเราก็ไม่เถียงมันถูกเท่านั้นแหละใครจะว่าจ้องก็ใช่จะว่าเพ่งก็ใช่จะว่ารู้ก็ใช่จะว่ากาหนดก็ใช่เพราะมันเป็นกิริยาที่จิตเข้าไปรู้ ทำไม่เอาจิตเขาไปรู้จะเอาอะไรเข้าไปรู้มีอะไรที่จะแทนจิตที่จะเข้าไปรู้ได้เข้าไปรู้ไม่ได้รู้อะไรรู้อารมณ์มาแหละจิตอยู่รู้อยู่กับอารมณ์นี่พอจิตเขาทิ้งวิตกวิจาร์จิตก็อยู่จิตก็อยู่ยแนบแน่นอยู่กับปีติอยู่กับความสุขอยู่กับอารมณ์อันเดียว แ, แนบแน่นอยู่เกาะอยู่นั่นแหละจิตขี้เกียจดำริแล้วไม่ดำริถึงไม่ดำริจิตก็ไม่ไป ถึงไม่ดําริกินะก็แทะจิตไม่ได้ถึงไม่ดํารติจิตก็ไม่ไปอันนี้คือละเอยียดลึกเข้าไปอีกเป็นชั้นที่สองละความละเอียดของจิต<ม>เป็นเป็นชั้นที่สองวิตกวิจารปีติสุขเอกะกะตาปีติสุขเอกักะตาแล้วก็ต่อไปต่อไปก็หมดหมดปีตินะมันจะหมดปีติเหลือแต่สุปเอกักะตา สุขอยู่กับสุขอยู่กับความสงบ อ, อยู่กับอารอมณ์เดียวแล้วก็ต่อไปอีกก็เหลือแต่เอกขตากับโอเบขาเหลือแต่ความวางเฉยของจิตวางเฉยรู้อยู่กับผู้รู้กำหนดอยู่กับผู้รู้สว่างสวายอยู่อันนี้คือความละเอียดของจิตมันจะเข้าลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยใครเข้าได้ลึกขนาดไหนขั้นไหนก็คือความสามารถของท่านาจะเข้าอยู่ในขั้นแรก หรือเข้าถึงขั้นสองเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณานี่ก็ใช้ได้หรือเข้าหนึ่งเข้าสองเข้าสามเข้าสี่สงบแนบแน่นอยู่ได้ระยะได้เวลาเขาว่าขยับตัวออกมาแล้วก็พิจารณาก็ได้การพิจารณานั้นเป็นการพิจารณาให้เกิดปัญญาที่ท่านเรียกที่ลงตาท่านบอกว่าให้ทําความสงบให้ได้รับความสงบเมื่อได้รับความสงบเพียงพอ เป็นบาทเป็นฐานแล้วท่านให้พิจารณาพอพิจารณาไปเหน็บเหนื่อยท่านก็ให้สงบสงบไปเป็นบาทเป็นฐานแล้วท่านก็ให้พิจารณาท่านให้ทําสลับกันไปอย่างนี้ไม่ใช่คอยให้ทําให้จนได้ฌานสี่ได้อารุปไปฌานสี่เสร็จแล้วค่อยมาพิจารณาไม่ใช่แบบนั้นมันเสียเวลาเราทําไปเรื่อยเราพิจารณาไป เ, เรปเื่อยจะทําให้เราได้รับความรอบรู้ไปเรื่อย การเอาจิตที่สงบมาพิจารณาให้เกิดความรอบรู้นั้นน่มันเป็นการทำงานอย่างมีกำลังกักตุนกำลังกักตุนก็คืออำนาจขององชาเนี่แหละมันกักตุนเอาไว้จิตมันด้รับความสงบไปรับอาหารที่ดูดดื่มเหมือนกับเป็นสเสบียงกลังที่มันชุ่มแพร่เต็มอิ่มอยู่อ่เหมือนกับเราไปรับทานอาหารมาอิ่มอิมนั่นแหละเราสามารถไปขุดเราสามารถไปฟัน ด้วยเรียวแรงของเราได้อย่างดีตรงกันข้ามถึงแม้ว่าจอบจะคมมีดจะคมเท่าไหร่ก็ตามถ้าเราไม่มีแรงเราก็ไม่สามารถจะฟันได้ดีเราไม่สามารถจะฟันได้ดีเราคิดว่าเรามีสติมีกําลังมากแต่เราไม่อาศัยความสงบช่วยบางทีก็ฟันผิดบางทีก็ฟันถูกฟันทื่อเพราะกำลังไม่ดีกำลังคือความสงบของจิตจิตที่มีสมาธิน่ะเป็นจิตที่มีกาลัง ทำไมจึงมีกำลังเพราะมันไม่ถูกกิเลสดึงไปข้างนอกไม่ถูกกิเลแสแทรกเข้ามาอกิเลสดึงไปข้างนอกก็ไม่ได้กิเลแสแทกเข้ามาก็ไม่ได้จิตของเราก็มีกำลังเมื่อจิตของเรามีกำลังเราก็ไปสอดส่องดูความรุ่มของตัวเองเช่นอย่างท่านให้มาพิจารณาว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นตัวตนของเราออุบายวิธีของท่านทั้งค่ายเราพิจารณาแยกแยะ แยกแยะเป็นธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟตัวเราทั้งก้อนเนี่ในเมื่อเราได้รับความสงบแล้วเราต้องย้อนความสงบของจิตมาพิจารณากายดูกายให้สักแต่ว่าเป็นกายเสร็จแล้วก็พิจารณาแยกแยะไปตามหลักที่ท่านบอกให้เราแยกแยะนะแยกแยะว่าเป็นธาตุดินส่วนไหนเป็นลักษณะแข็งแข็งท่านเรียกว่าธาตุดิน ส่วนไหนเป็นลักษณะเอบอบาบเป็นน้ำท่านเรียกว่าถาดน้ำส่วนไหนพัดเข้าพัดออกหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นถาดลมส่วนไหนเป็นความอบอุน่นมีความอบอุน่นเรียกว่าถาดไฟดินน้ำลมไฟนี่มาเกาะคุมกันเป็นอัตภาพร่างกายของเรานี่แท้ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านสรงให้พิจารณาเป็นถาดเพื่อเป็นการกระจายเพื่อเป็นการวิภาคที่ท่านเรียกว่ากา ย, ยาวิภาค คือจำแนกกายนอกจากแยกกายเป็นธาตุทั้งสี่แล้วท่างกายแยกละเอียดมากกว่านั้นก็ไปอีกแยกเป็นอาการสามสิบสองเช่นอย่างเราส่วนั่นแหละอช่นอย่างเราส่วนเนี่ย ย, นน ย, ยังคมีกายโยกายของเรานี่แล่เนี่ยเบื้องบนก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังทั้งห้าอย่างนี้เขาเรียกว่าตาจะปัญจกกรรมฐานเป็นมูลละกรรมฐาน อุปิชายาท่านสอนเกษาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนขาคือเล็บทั้งหลายทันตาคือฝันทั้งหลายตาโจคือหนังเกษาคือผมทั้งหลายเกษาโลมานขาทันตาตาโจตาโจทันตานขาโลมาเกษาผมขนเล็บฟันหนังหนังฟัน อเล็บขนผมพิจารณากลับไปพิจารณากลับมาอือันนี้ที่อุปชาท่านสอนเพราะท่านมีเวลาสั้นแต่ถ้าเราได้สวดได้อาการสามสิบสองเราแยกทั้งหมดนั่นแหละผมทั้งหลายขนทั้งหลายเล็บทั้งหลายฟันทั้งหลายหนังทั้งหนังทั้งหลายอันหนังวังสังเนื้ อ, อ เป็นกระดูกเยื่อนั้นกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าทั้งหมดนี้เป็นธาตุดินทำไมท่านจึงว่าทั้งหมดนี้เป็นธาตุดินเพราะว่าลักษณะทั้งหมดนี้มันเป็นก้อนมันเป็นแท่งมันแข็งด้วยและมันเป็นก้อนด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อมันก็เป็นก้อนคำว่าเป็นก้อนก็คือเป็นลักษณะของธาตุดินเป็นก้อนด้วยเป็นแข็งด้วยเช่นอย่างผมขน เล็บฟันกระดูกเนี่ยเราถือว่าแข็งแข็งมากผมก็แข็งขนก็แข็งเล็บก็แข็งกระดูกก็แข็งฟันก็แข็งแท้จริงฟันก็คือกระดูกนั่นแหละฟันคือกระดูกนะมันแข็งอันนี้เป็นลักษณะของธาตุดินแต่สิ่งที่เป็นลักษณะเป็นก้อนเป็นก้อนท่านก็เรียกว่าธาตุดินเช่อนอย่างเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกเยื่อในกระดูกตามภาษาธรรมะนี่มันสมองคนเรานี่ท่านก็ถือว่าเป็นเยื่อในกระดูกนะบางอาจารย์เวลาสวดไปถึงมัทมะทะลุงมัทะเกมัทะลุงค้างเนี่ยท่านจะไม่สวดท่านถือว่าอันนี้รวมลงเยื่อในกระดูกแต่ในเมื่อบุรณะอาจารย์ท่านจารื้อลงไลว้แล้วเราก็สวดตามนั้นถือว่าเป็นการแยกแยะเสริมเข้าไปอีก อันนี้เป็นเยื่อในกระดูกเราพิจารณาเข้าไปหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอาหารเก่าคือกริสะกรีสังอาหารเก่าอาหารเก่าก็คืออุจจาระนี่แหละเป็นอาหารเก่าตอนมาอยู่ในกายของเราเนะ่ยเราเรียกว่าเป็นกายนะเป็นอาการส่วนหนึ่งของกายกะรีสังอาหารเก่าเนี่ยทั้งยี่สนี้ท่านเรียกว่าธาตุดิน ทำไมถึเรียกว่าธาตุดินเพราะมันแข็งมันแค่นแข็งมันเป็นก้อนมันเป็นแท่งถ้านให้เราพิจารณาแยกแยะทำไมจึงพิจารณาแยกแยะถ้าเราไม่พ <t ot> ิจารณาแยกแยะเราสาคัญว่าเป็นก้อนเป็นแท่งแล้วเราเห็นว่าไอ้ที่เป็น <t> ก <ot> ้อนเป็นแท่งนี่แหละเป็นเราแล้วก็เป็นของของเราเป็นตนเป็นของของตนมีเป็นธาตุดินแล้วก็ธาตุน้าอีกสิบสองรวมแล้วเป็นอาการสามสิบสอง เป็นน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดถึงน้ำมูดน้ำคูดทั้งสิบสองนี้เป็นอาการของธาตุน้ำทำไมจึงว่าเป็นธาตุน้ำก็เพราะว่ามันซึมซาบมันเอิบมันอาบในกายนี้ เ, นเรียกว่าธาตุน้ำเราพิจารณากลับไปพิจารณากลับมาอย่างนี้ทําให้จิตของเราทําให้ความรู้สึกของเราเกาะอยู่กับร่างกายของตัวเองโดยไม่นึกไม่คิดไปอย่างอื่น มันก็เป็นการพิจารณาเพื่อทำลายอัตตาตัวตนถ้าเราไม่พิจารณาเราไม่ย้อนมาพิจารณาเรายังสำคัญเห็นว่ากายของเราเห็นสำคัญว่าเป็นก้อนเห็นสำคัญว่าเป็นแท่งเนี่ยอาการสาสบสองนี้กาะถูกเกาะกลุมด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟส่วนธาตุดินก็คืออาการยี่สิบนั่นแหละส่วนธาตุน้ำก็คืออาการสิบสองส่วนธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออก ลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวเราดูให้เห็นชัดก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นศาตร์ลมนะมันมีความหมายของมันมันหายใจเข้าไปมันก็มีความหมายของมันมันหายใจออกมามันก็มีความหมายของมันเราสักแต่ว่าเราไม่ไม่เคยได้มาคิดมาพิจารณามันแล้วก็เลยไม่สนใจกับมันมันหายใจโดยหลักธรรมชาติของมันอยู่แล้วตามระบบตามระเบียบของร่างกาย อัตราภาพของร่างกายมันมีปอดหายเข้าหายออกหายเข้าหายออกปอดบีบเข้าบีบออกบีบเข้าบีบออกหายใจเข้าหายใจออกตามหลักเขาว่าหายใจเข้าไปเนี่ยเอาอากาศที่ดีเข้าไปหายใจออกมาก็เอาอากาศที่ไม่ดีออกมาหายใจเอาก็ออกซิเจนเข้าไปหายใจเอาคาร์บอนออกมาเอาออกซิเจนเข้าไปฟอก ในร่างกายของเราออกซิเจนเขาเป็นอาหารร่างกายอย่างหนึ่งเข้าไปฟอกในกายของเราฟอกเป็นขาบ่อนออกมาตามหลักวิทยาศาสตร์เขาว่ายงั้นเราก็เห็นได้ว่าหายใจเข้าเป็นลมหายใจออกก็เป็นลมปอดนั่นแหละขยับตัวเข้าขยับตัวออกอทําให้เกิดอากาศเคลื่อนไหวอากาศเคลื่อนไหวนี่เป็นเหตุให้เกิดลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีใคร ลมหายใจหยุดหยุดไปสักห้านาทีนี่ก็เกือบจะไม่ฟื้นคืนมาแล้วแหละตั้งแต่เกิดมาเราก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นประจำคนสลบไม่นานคนสลบนี่มันยังมีลมแผ่วเบาอยู่คนสลบไม่ใช่ว่าสงบไม่ใช่ว่าหมดลมแน่นิ่งไปเลยไม่ใช่สักหน่อยหนึ่งแล้วก็มีลมแหมว์แหมว์แหมวขึ้นมาแหละอถ้าลมหายใจขาดทั้งหมดสักหน่อยหนึ่งมันไม่มีออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงเดี๋ยวก็ พอรู้สึกขึ้นมาก็เป็นวิกลวิกาลเป็นอมาคอมภ่าะเป็นเจ้าหญิงนิธาทราเจ้าชายนิธาไปแล้วนี่คือธาตุลมลมเข้าไปปรนปรือกายทั้งให้ทําให้กายนยี้มีอยู่ได้เป็นอยู่ได้นอกจากธาตุลมแล้วก็มีธาตุไฟธาตุไฟนี้สลับมาอบอุ่นให้ร่างกายนี้อยู่ได้ไม่บูดไม่เน่าไม่เปื่อยเนี่ยอาศัยธาตุธาตุไฟ ธาตุไฟเราสัมผัสได้ไหมธาตุลมเราสัมผัสได้ไหมเราสัมผัสได้ธาตุไฟเราสัมผัสได้ไหมเราสัมผัสได้มาแตะหน้าผากเราดูเดี๋ยวนี้มีความอบ อ, อุ่นอยู่นี่แหละคือธาตุไฟคนเป็นต้องมีธ า, าตุไฟแต่ตายเมื่อไร่แล้วก็ไฟก็เริ่มดับดับดับดับดับดับสองสามนาทีสามนาทีร่างกายก็จะเริ่มเยน็นเย็นชืดละสามนา ท, นาทีร่างกายจะเริ่มเย็นชืดละ เพราะว่าธาตุไฟมันดับก็เหมือนอย่างของบางอย่างเราเอาไปอุ่นไฟนั่นแหละหลังจากเราอุ่นมาแล้วเนี่ยมันก็สามารถอยู่ได้สีนาทีห้านาทีบางทีอยู่ได้ถึงสิบนาทีก็เช่นเดียวกันร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันบางทีธาตุไฟจริงๆเนะี่ยดับไปแล้วลมหายใจหมดไปแล้วคือคนตายไปแล้วแต่บางส่วนก็ยังอบอุ่นอยู่ก็เพราะว่าร่างกายอ่าไฟอันเก่ามันยังอบอุ่นอยู่ เหมือนอย่างของที่เราไปอุ่นเราไปนึ่งไปอะไรนั่นแหละพอเราเอ า, เอาลงมาแล้วมันก็ร้อนเพราะว่าความร้อนมันยังเก็บสะสมอยู่แต่ตัวที่ทำให้เกิดความร้อนจริงๆมันหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นคนตายก็มีแต่ใจเย็นชืดไปหนะ้าแต่คนยังเป็นๆอยู่นอนทั้งวันทั้งคืนหมดลมหายใจทั้งวันทั้งคืนแต่ยังไม่ตายยังร้อนอยู่ยังอบอุ่นอยู่เช่นอย่างท่านที่ เข้าสมาบัติท่านที่เข้าสมาบัติเจ็ดวันเนี่ยเข้าสมาบัติเจดวันเนี่ยมีลมหายใจยังแผ่วเบาอยู่ดูแทบไม่ออกมีธาตุไฟอบอุ่นกายอยู่มีชีวิตตินซีอยู่พอได้กำหนดเวลาที่ท่านตั้งเอาไว้ท่านก็จะขยับตัวขึ้นมารู้สึกขึ้นมาหายใจ แผ่วเบาขึ้นมาแล้วก็ค่อยหายใจหยาบขึ้นมาแล้วก็ลืมตาได้อะไรได้ผู้ที่ท่านเข้าฌานเข้าสมาบัตินานๆหลายวันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ธาตุลมธาตุไฟธาตุลมจะแล้วที่เป็นช่องว่างในกายท่านก็เรียกว่าอากาศธาตุอากาศธาตุอันนี้ท่านให้พิจารณานะที่เล่ามาทั้งหมดนี้คืออะไรคือบทพิจรารณาการพิจารณาทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรอบรู้ ท่านใช้คําว่าอันนี้แหละคือปัญญาคือปัญญาคือการหัดพิจารณาฮิตพิจารณาจนเห็นหลักของความเป็นจริงของมันจนเห็นเป็นสัตสัตยธรรมของมันไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีของของเราทุกสิ่งทุกอย่างทํางานตามหน้าที่ของเขาเราต้องการให้เขาทําก็ตามเราไม่ไม่ต้องการให้เขาทำก็ก็ตามเขาก็ต้องทํางานตามหน้าที่ของเขา เหมือนอย่างเรารับทานอาหารลงในปากเคียเค้ยวเคีว้วเคียเค้ยวกลืนกลืนลงไป ล, ลําคอล่องลําคอลงไปแล้วเขาก็ทําหน้าที่ของเราเองไปบดไปขับไปย่อยไปส่งไปเลี้ยงตามอัตราภาพร่างกายเป็นไปเป็นเลือดไปเป็นเนือ้เอเนอทําให้ร่างกายนี้เอาไปบํารุงเอาไปซ่ําแซมให้มีกําลังวังชา บริหารบริหารได้เดินได้ยืนได้ก้มได้เงยได้ทําการทํางานทําธุรกิจทั้งหลายทั้งปวงได้ทําตามหน้าที่ของเขาแม้แต่หายใจเข้าหายใจออกก็ทําตามหน้าที่ของเขาแม้แต่ไฟที่ปรนเปืออยู่ในกายนี้ก็ทําตามหน้าที่ของเขาเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เขาเป็นที่จะนึกที่จะคิดที่จะทําให้เขาเปลี่ยนเราจะเห็นว่ารูปธรรมนี่เขาทำท ำ, ทำงานตามหน้าที่ของรูปธรรมเพราะ รูปธรรมทั้งหมดนี้ก็เป็นสังขารสังขารเมื่อเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกันแล้วเนี่ยเขาจะไม่คงที่เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเรารู้แต่อาหารเราใส่เข้าไปในในร่างกายของเรามันจะไม่คงที่มันจะขับไปเรื่อยย่อยไปเรื่อยย่อยไปเรื่อยย่อยไปเรื่อยจนไปเป็นเลือดจนไปเป็นเนื้ออ่าทําให้เราอ้วนทําให้เราพีสมมติ อ, อย่างเราใส่อาหารไปน้อยเลือดมันก็ น, น้อยเนื้อมันก็เลยค่อยหดค่อยหดค่อยหดเพราะอะไร เพราะอาหารที่ไปกับเลือดนะไปเลี้ยงเนื้อมันกนน็น้อยลงน้อยลงก็พ้อมลงพอมลงพ้อมลงพ้อมลงท่านทั้งหลายที่อ้วนมีร่างกายอ้วนมีน้ําหนักมากถ้าท่านต้องการให้ร่างกายเบาท่านลองอดอาหารลองดูพอเราไม่ใส่อาหารเข้าไปเน่ยเนื้อที่เคยบานแต่งตึงน้ําหนักมากๆกมันก็จะลดลงลดลงของมันเองนี่คือเหตุปัจจัยง่ายๆที่ทําให้เราดูและทําให้เราเห็นทําให้เราเข้าใจ ถ้าเราไม่ย้อนมาดูเราจะไม่เห็นเราจะไม่เข้าใจนี่คือบทพิจารณาทั้งหมดเนี่ยดูให้เห็นสักเทว่าตาภาพร่างกายผมก็สักเทวาผมไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราถามมันดูมันเป็นเราไหมมันเป็นของของเราไหมขนมันเป็นเราไหมเป็นของของเราลองถามมันดูเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกระดูกเราไหมเราถามมันดูกระดูกมันตอบไหมเนื้อถามมันดูเนื้อเราไหมมันตอบเราได้ไหม เห็นกระดูกเยื่อในกระดูกจนถึงนู่นตับไตไส้พุงทามันดูแต่และอย่างเลยอย่างเป็นเราไหมเป็นของของเราไหมเสียแล้วสันฐานคําว่าสันฐานก็คือรูปคือทรงเช่นอย่างเราดูมาที่รูปคนของคนเรามันจะมีลําตัวแล้วมันจะมีแขนสองมีขาสองแล้วก็มีหัวหนึ่งนีทาเรียกว่าปัญจสาขาปัญจสาขานลําตัวนี้หรือเป็นเราเป็นของของเราเราก็แยกหัวกันไปทีหัวมีอะไร มีผมมีขนมีหนังลึกลงไปก็มีเยื่อมีเนื้อลึกลงไปอีกมีกะโหลกระโหลก็เป็นกระดูกล้วลึกลงไปอีกมีอะไรก็มีมันสมองในมันสมองก็มีอะไรมีเล้วเล้วเละเละมีเส้นใยของเส้นเลือดเส้นประสาทต่างๆเต็มไปหมดสำหรับที่จะทำการทางานตามรูปประธรรมของเขาตรงไหนเราเป็นหัว เราดูตรงไหนเป็นหัวและตรงไหนเป็นเราเราดูมาสันธานเอ้ตรงนี้เป็นตาก็ดูในลำตาตรงไหนเป็นเราตาไหมลองแยกแยกเข้าไปก็เห็นเปลือกตาเห็นแก้วตาเห็นน้ำเมือกตานี่เมื่อไม่กี่วันอีกไปให้เขาตรวจ ด, ดูเขาว่า น, น้ำเมือกมันเสื่อมอ่ามันทําให้เป็นใยแมงมุมดาเต็มทั้งสองตาเนี่ยนี่ก็คื อ, คอตามันเสื่อม ทำไมถึงเสื่อมเพราะอายุไขมันได้อายุไขเข้ามาแล้วมันก็เสื่อมมันออกเป็นยายแมงมุมขึ้นดำจากดำกระจายเป็นใยแมงมุ ม, ม, ม, มแล้วมันก็มาเกาะมารวมกันเป็นก้อนเท่ากับหัวไม่ขีดนะ่กลอกแกลกตามก็มันก็เนตเต้นไปตามจังหวะที่ตามันเกลือกไปเกลือกมาอันนี้คือตาแล้วตรงไหนเป็นเราตรงไหนเป็นของของเราดูไปที่จมูกจมูกก็ไม่มีอะไรเอาหนังออกแล้วก็เป็นกระดูกอ่อน ใต้กระดูกอ่อนลงไปก็เป็นกระดูกแข็งแล้วก็เป็นรูสําหรับหายใจเข้าสําหรับหายใจออกดูลึกเข้าไปก็มีอะไรก็มีเพดานก็มีฟันชั้นบนมีฟันชั้นล่างก็ดูดูไปทะลุใช้ความรู้สึกของเราใช้ความรู้ของเรานีดูซึมเข้าไปซึมเศราเข้าไปดูซึมเศราเข้าไปทะลุป ล, ปลอกไปหหมด นี่ท่านให้พิจรารณ า, านี้เป็นการมาย่อยมาบทมาสลายมาวิภาคกายของของเราเนี่ไล่หาตัวคาว่าอัตตาคาว่าตัวตนในที่สุดเราก็เห็นสักทว่าเป็นสภาวะธรรมที่มาเกี่ยวข้องกันมาผูกมัด ก, กันและมาทำงานประสัดประสานกันส่งช่วงให้แก่กันและกันเท่านั้นเองนี่รวมกันแล้วก็เป็นคนเป็นเราเป็นท่านเราอย่าไปติดคำว่าคน เราจะประจิตใจคําว่าคนเราดูไปที่เนื้อแท้ของความเป็นคนคืออะไรมีเราอยู่ที่นี่ไหมมีอัตตาเราอยู่ที่นี่ไหมมีตัวตนอยู่ที่นี่ไหมถ้าหากเรามาจําแนกแยกแยะเป็นกายวิภาคแล้วไม่มีอะไรเป็นตนไม่มีอะไรเป็นของของตนอันนั้นก็เป็นผมอันนี้เป็นคนอันนั้นเป็นเล็บอันนี้เป็นฟันอันนั้นเป็นหนังครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้เอาไปแยกออกเป็นกองเป็นกองผมกองหนึ่งคนกองหนึ่งเล็บกองหนึ่งฟันกองหนึ่งหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละกองแต่ละกอง ตรงไหนเป็นคนถามมันดูละ่ะตรงไหนเป็นคนตรงไหนเป็นเราตรงไหนเป็นท่านอันนี้เป็นบทฝึกซ้อมนะเราเอาจิตของเราที่มีความสงบนั่นแหละมาเพ่งพินิษ์พิจารณาดูแล้วก็ทําความทําความฝึกซ้อมฝึกซ้อมจนเกิดความรู้จนเกิดปัญญาจนเกิดปัญญาญานจนเกิดญาณทัศนะ ปรงใจเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าเออใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราจริงๆถ้าเราไม่ย้อนมาพิจารณาอย่างนี้เราจะไม่รู้เราจะไม่เห็นเราจะยึดเราจะถือว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราอยู่ร่ำไปอันนี้แหละเป็นประตูเข้าไปสู่การละส ก, กายทิฐิได้เพื่อที่จะทะลุทะลวงเข้าไปถึงหลักหรือภูมิชั้นของความเป็นอริยธรรม อริยะบุคคลเราไปทางอื่นเราเป็นเราไปเส้นอื่นเราไปตรงที่อื่นเราไปขุดไปเจาะที่อื่นไปที่อื่น <c oughs> ขุดเจาะไม่ถูกที่ขุดเจาะไม่ถูกที่แล้วก็ขุดเจาะไม่ถึงที่แล้วก็ไม่ประสบผลสําเร็จไม่ได้น้ําตามที่เราต้องการคือไม่ได้อัดได้ทําตามที่เราต้องการแต่ถ้าเรามาตรงนี้ถูกทางเมื่อเราสรุปแล้วเราก็ภาวนาทําให้จิตได้รับความสงบ สงบตาตามชั้นตามภูมิดังที่อธิบายมาแล้วจากจิตได้รับความสงบแล้วก็เอามาพิจารณาแยกแยะอัตภาพร่างกายของเราดูให้เห็นว่าอัตภาพร่างกายของเรามันประกอบกันแล้วมันไม่คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยการเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยเป็นลักษณะการประกอบกันเป็นลักษณะของกองทุกเมื่อประกอบกันแล้วมันไม่คงที่มันจะเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเป็นลักษณะของอนิจจังอ ทุกขังก็คือปัจจัยมาปรุงแต่งรวมกันเป็นก้อนเป็นแท่งมันไม่คงที่มันเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนิจจังใครบังคับบัญชาไม่ได้มีใครบังคับบัญชาอยู่ไหมใครบังคับบัญชาอยู่กันได้สักคนไม่มีแล้วแต่อัตภาพมันจะเป็นมันจะไปเรารู้อย่างเดียวว่าเราหิวเราก็ใส่อาหารเข้าไปเราใส่ไปแล้วมันจะยืนอยู่เย็นเป็นสุกมันจะขับมันจะย่อยมันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรจะอะไรมันก็เป็นไปตามภาวะของมันตามเรื่องของมัน มีใครไปบังคับบัญชาให้มันได้แต่ความต้องการของใจของเรานั่นละอ่ามันไม่อยากแก่มันไม่อยากเจ็บและมันก็ไม่อยากตายทั้งๆที่ร่างกายนี้มันจะแก่ไปตามภาวะของมันมันจะเจ็บไปตามภาวะของมันแล้วก็มันก็จะตายไปตามภาวะของมันกิเลสภายในใจมันให้เรายุดกายอ่าร่างกายมันจะตายแต่มันอยากอ่าร่างกายมันจะแก่แต่มันอยากอยากไม่แก่ร่างกายมันจะเจ็บแต่มันอยาก อยากไม่เจ็บร่างกายมันจะตายแต่มันอยากอยากไม่ตายความอยากท่านี้เป็นการฝืนหลักความเป็นจริงมีความนึกมีความคิดจนจะเป็นจะตายมันก็ฝ่าฝืนไม่ได้ภาวะอันนี้ท่านเรียกว่าอนัตตาอนัตตาไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้อันนี้เป็นลักษณะของไตรลักษณ์อยาบอที่เราดูเราพิจารณาเป็นหลักการเป็นวิชาการเป็นวิธีการ เอามาดูเอามาเพ่งเอามาพิน์มาพิจารณาดูอัตภาพร่างกายเนี่ยตรงกับหลักประเด็นที่เราตั้งเอาไว้ว่าเราควรทําความสําคัญให้กับตัวเราเองควรให้ความสําคัญที่ใจของเราแล้วก็ย้อนใจของเราเข้ามาที่กายของเราพอย้อนเข้ามาแล้วเราจะเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็เอาจิตเอาผู้รู้มากํากับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป จนจิตได้รับความสงบสงบบ่อยครั้งเข้าจิตมีพื้นมีบาดมีฐานเสร็จแล้วก็เอาความสงบของจิต ท, ที่มีพื้นมีบาดมีฐานนี่แหละมาพิจารณาเพื่อทําลายความยึดความถือของตนเองเพราะทําไมท่านจึงให้พิจารณาทําลายความยึดความถือของตนเองทําลายพิจารณาความยึดความถือเพื่อทําลายความทุกข์เนื่องจากว่าเราลุ่มหลงยึดกายนี้เราจึงมีความทุกข์กับกายนี้เรามีความต้องการ ให้ร่างกายนี้เป็นไปตามใจหวังของเราแต่ร่างกายไม่เคยเป็นไปตามใจหวังของเราสักอย่างสักครั้งสักเวลาสักนาทีเดียวในเมื่อไม่เป็นไปตามใจหวังของเราเราก็ประสบแต่ความทุกข์เราก็ประสบแต่กองทุกข์เราต้องการจะออกจากกองทุกข์อันนี้ต่างหากเราจึงมาศึกษากายให้รู้ว่าภาวะของกายที่แท้จริงคืออะไรภาวะระที่แท้จริงของร่างกายนี้เป็นอะไรนีแหละถ้า เราไม่มาศึกษาตรงนี้ไม่ไม่มาฝึกฝนตรงนี้ไม่มาเรียนวิชานี้ยวิชากรรมฐานนี้โอกาสที่เราจะรู้นะรู้ไม่ได้ดอกรเรียนวิชาอื่นจบวิทยาศาสตร์กี่ชั้นกี่ภูมิก็ตามก็ได้อย่างใดได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้อย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่ ร, ปรูปธรรมได้แต่กายวิภาคเรียนที่นู่นที่นี่เรียนประสาทเรียนกระดกูกเรียนอะไรสารพัดแต่ว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมาคือทางด้านจิตใจไม่รู้ไม่เข้าใจและวิธีการเรียน เทียบกับที่พระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราเรียนเป้าประสงค์นั้นน่ะคนละอย่างกันเป้าประสงค์ที่พระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราเรียนนั้นให้เรียนเพื่อให้เกิดความเบื่อเกิดความนายเปิดเกิดความคลายจากการยึดมั่นถือมั่นในกายแล้วก็จะทาให้จิตของเราเนี่ยค่อยๆถอนตัวออกมาถอนตัวออกมาไม่ยึดไม่เกาะในกายแล้วจิตก็จะค่อยๆห่างจากความทุกข์ค่อยๆจากห่างจากการยึดจากการติด อันเป็นเหตุที่เคลือบแฝงมากับคือตัวความอยากความอยากก็จะลดลงไปลดลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะอะไรเพราะมันเริ่มรู้จักธรรมชาติอพอเริ่มรู้จักธรรมชาติมันก็ลดลงไปลดลงไปลดลงไปทําไมถึงลดไปเพราะว่าหมดความสงสัยว่าอันนั้นไปนั้นไปนั้น เ, นนนเนมื่อก่อนนั้นสงสัยกระยุตสิ่งใดที่จิตไปยึดสิ่งนั้นคือจิตสงสัยทั้งหมดแต่ถ้าจิตเข้าไปรู้หลักความเป็นจริงแล้วจิตจะปล่อยจิตจะวาง เมื่อจิตปล่อยเมื่อจิตวางแล้วก็จิตก็ปล่อยวางอกปาฏฐานด้วยอัตภาพตัวตนก็ไม่มีเพราะปล่อยกายไว้ตามภาวะของกายความรู้สึกก็มาอยู่ที่จิตก็ไปศึกษาความรู้สึกที่จิตจิตไปยึดไปเกี่ยวไปผูกพันกับอะไรก็พยายามทําความปลดเปลื้องสิ่งต่างๆเหล่านั้นจนจิตเป็นอิสระเต็มที่100ร้อยเปอร์เซนต์ระสิ่งที่เคลือบแฝงหมดไปจากจิตได้จิตก็บริสุทธิ์พุทโท ถึงบรมสุขบรมสุขถึงประมังสุขังประมังสุขังนั่นต่างหากเป็นกลุ่ยหมายปายทางเป็นจุดหมายปลายปลายทางเป็นเป้าประสงค์ของเราที่เราตั้งใจฝึกฝนอบรมศึกษาทำปฏิบัติธรรมพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วได้ข้อปฏิบัติได้แบบฝึกหัดที่จะทำให้จิตได้รับความสงบได้แบบฝึกหัดที่จะไปพิจารัายเกิดความรอบรู้ ทำบ่อยครั้งทำบ่อยครั้งเหมือนเขาทำแบบฝึกหัดแหละทำจนชำนิชำนาญทำจนรู้ทะลุโปร ง, งในบทเรียนในบทสอนต่างๆเหล่านั้นเราไม่จาเป็นต้องสอบเพราะเราเรารู้ทั่วถึงหมดแล้วอัตภาพร่างกายของเราเช่นเดียวกันมเมื่อเรารู้ทั่วถึงหมดแล้วเราก็ปล่อยตามภาวะของมันเป็นร่างกายก็เป็นอยู่ตามภาวะของกายไปจิตผู้บริสุทธิ์ก็อยู่ตามภาวะของจิตที่บริสุทธิ์ไป ไม่มีพภพไม่มีภูมิไม่มีตัญหาไม่มีอุปาทานเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปผูกพันเราจึงจะพ้นจากแก่จะพ้นจากเกิดจากแก่จากเจ็บจากตายนั่นแหละคือที่สุดคือประมังสุขขังเราจับหลักได้แล้วก็เอาไปศึกษาเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติตามเพื่อความสุขความเจริญทางด้านจิตใจของเรา นี่เป็นหนทางที่ก้าวไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงให้ผลเป็นความสุขที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเอาเห็นว่าพอสมควรเก่บเวลาเอาแค่นี้นะจบแค่นี้อพากันไปทําแบบฝึกหัดให้ได้ฝึกหัดที่โจขอันแล้วสมทุ่มครึ่งพอดีอ่าเลิกแล้วครับต่างคนต่างกลับแล้วอ่า ไปทำแบบประหัตนอนทำก็ได้เดินทำก็ได้นั่งทำก็ได้นอนทำจนหลับนะอดีย่าไปนอนคุยกันจนหลับเลยไม่ได้เลยฮะหลับไว้แทะหลับไว้เพราะเราไม่ตั้งใจจดจ่อไว้อ่าไปกลับจ้าไปพวกเราก็กลับแล้วเอ้ากลับ